วิธีปฏิบัติภาคสมถะสำหรับอาณาปานาสติขั้นปฏิบัติคือลงมือกำหนดลมหายใจพระอัตถคตาจารย์ได้เสนอวิธีการเพิ่มเติมเช่นการนับเข้ามาเสริมการปฏิบัติตามพุทธพจน์ที่ยกมาแสดงข้างต้นแล้วด้วยมีความที่ควรทราบดังนี้วิธีที่หนึ่งคณน า, นาคือการนับเริ่มแรก ในการกำหนดลมหายใจออกเข้ายาวสั้นนั้นท่านว่าให้นับไปด้วยเพราะการนับจะช่วยตรึงจิตได้ดีการนับแบ่งเป็นสองตอนช่วงแรกท่านให้นับช้าๆการนับมีเคล็ดหรือกลวิธีว่าอย่านับต่ำกว่าหแต่อย่าให้เกินสิบและให้เลขเรียงลำดับอย่าโจรข้ามไป ถ้าต่ำกว่าห้าจิตจะดิ้นรนในโอกาสอันแคบถ้าเกินสิบจิตจะไปผวงที่การนับแทนที่จะจับอยู่กับกรรมฐานคือลมหายใจถ้านับขาดขาดข้ามๆจิตจะวันจะวุ่นไปให้นับที่หายใจเข้าออกอย่างสบายๆเป็นคู่ๆ ค, คือลมออกว่าหนึ่งลมเข้าว่าหนึ่งลมออกว่าสองลมเข้าว่าสองอย่างนี้เรื่อยไป จนถึงลมออกว่าห้าลมเข้าว่าห้าแล้วตั้งต้นใหม่ลมออกว่าหนึ่งลมเข้าว่าหนึ่งจนถึงลมออกว่าหกลมเข้าว่าหกแล้วตั้งต้นใหม่เพิ่มทีละคู่ไปจนครบสิบคู่แล้วกลับย้อนที่ห้าคู่ใหม่จนถึงสิบคู่อย่างนั้นเรื่อยไปพอจะเขียนให้ดูได้ดังนี้หมายเหตุ กรุณาดูแผนภูมิที่16ทับสประกอบด้วยความในวิสุทธิมรรตตอนนี้คงจะเขียนรวบรัดเกินไปผู้อ่านจับความออกมาต่างๆกันดูของไทยฝรั่งลังกาแล้วไม่ใครจะตรงกันเพื่อสะดวกจึงเอาอย่างที่เรียนกันมาในเมืองไทยการเริ่มนับจะตั้งต้นที่ลมเข้าหรือลมออกก็ได้แล้วแต่อย่างไหนใครชัดอันหนึ่งพึงทราบว่า ตัวอย่างวิธีปฏิบัติที่แสดงในที่นี้เขียนตามคำภีวิสุทธิมักให้เห็นแบบแผนเดิมผู้ปฏิบัติจะยักเยื้องไปอย่างอื่นอีกก็ได้เช่นอย่างที่สำนักต่างๆในปัจจุบันสอนให้ว่าพุโทโธบ้างอย่างอื่นบ้างกำกับลมหายใจเข้าออกแทนการนับเป็นต้นสาระอยู่ที่เป็นอุบายตรึงจิตไว้เท่านั้นช่วงสองท่านให้นับเร็วกล่าวคือ เมื่อลมหายใจเข้าออกปรากฏแก่ใจชัดเจนดีแล้วจิตอยู่กับลมหายใจโดยลมหายใจช่วยตรึงไว้ได้ไม่สายฟุ้งไปภายนอกก็ให้เลิกนับช้าอย่างข้างต้นนั้นเสียเปลี่ยนเป็นนับเร็วคราวนี้ไม่ต้องคำนึงถึงลมเข้าในหรือออกนอกกำหนดแต่ลมที่มาถึงช่องจมูกนับ เ, เร็ววจากหนึ่งถึงห้าแล้วขึ้นใหม่หนึ่งถึงหเพิ่มทีละหนึ่งเรื่อยไป จนหนึ่งถึงแล้วเริ่มหนึ่งถึงห้าใหม่อีกจิตจะแน่วแน่ด้วยกำลังการนับเหมือนเรือตั้งลำแน่วในกระแสน้าเชี่ยวด้วยอาศัยทอเมื่อนับเร็วอย่างนั้นกรรมาฐานก็จะปรากฏต่อเนื่องเหมือนไม่มีช่องว่างพึงนับเร็วๆอย่างนั้นเรื่อยไปไม่ต้องกาหนดว่าลมเข้าในออกนอกเอาสติกำหนดณจุดที่ลมกระทบคือที่ปลายจมูก หรือริมผิปากบนแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วแต่ที่ใดรู้สึกชัดเท่านั้นทั้งนี้พอเขียนดูกันได้ดังนี้หมายเหตุกรุณาดูแผนภูมิที่16ทับสประกอบด้วยกำหนดนับอย่างนี้เรื่อยไปแม้ไม่นับแล้วสติก็ยังตั้งแน่วอยู่ได้ในอารมคือลมหายใจเข้าออกนั้นวัตถุประสงค์ของการนับ ก็เพื่อให้สติตั้งแนวอยู่ได้ในอารมณ์ตัดความคิดฟุ้งซ่านไปแผ่นอกได้นั่นเอง